ต้องจบปีใหม่นะอนที่สามวันนี้นะปีใหม่นี้ต้องดีกว่าพี่เก่าแล้วก็พืชที่มีเง้าต้องเจริญขึ้นทั้งประมาณทั้งคุณภาพเราสาธยายพะสตรในอาเดียมาก ในชีวิตทางจิตวิญญาณไม่จนเล ย, ยเยอะแยะเลยทางไปสมสมติผลอยู่ในกายในใจเรานี่นำมาใช้สำเร็จประโยชน์หมดเลยไม่เหลื อ, อเลยเลยจุดยอดเลยในความลาเอียมาก เหมือนกับลือถอนชีวิตที่เป็นความหนักเบาลงไม่เบาลงว่างลงไม่เหมือนอาชีพทางการทาหากินในการเรื่องชีวิตต้องเสี่ยงอาชีพ ความันญญนี่ไม่เสี่ยงอะไรเลยมีสติไปในกายยกมือขึ้นก็ลู่ทันทีไม่อาศัยอะไรดินฟ้าอากาศเปลี่ยนหลงเป็นลู่ทันทีเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกได้ทันทีไม่มีอะไรต่อลองตรงกันข้าม ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความเก็บมีความไม่เกบในความตายมีความไม่ตายในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ว่าแต่เราจะใช่าอย่างไรทำสองอย่างนี่เป็นกุศลหรอกุศลจะช่างก็ได้ทันทีจะละก็ได้ทันที มีเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบให้เกิดดีขึ้นมาได้โดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ทันใจทันทีปัจจดตังสำหรับผู้ปฏิบัติต้องตัวคขตัวมัน จีเจะเป็นมรรคเป็นผลมรรคคือกักระทผลได้สำเร็จเพราะทำมาจากนี้เป็นอย่างนี้มรรคผลไม่ต้องอ า, อาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นอาลัยชอบภายในส่วนสอบภายนอกที่ไม่ใช่มรรคผลนั้นคนอื่นช่วยได้ให้ได้ มรดกตกทอดมาจากบรรพุรุษรุ่นเกิดแต่บุญสร้างต้องทำเองอีใหม่นี่จักจะให้เกณนขี้วัดเป็นหลักปฏิบัติกับการใช้ชีวิตือการใจของเรานีจะให้พรกัน อายุวโนสุขังพลังให้สำเร็จแน่นอนโสกโสส่งกันระรับโสกโสหลายจะแบบม่ใช่ความดีๆผู้ที่หวังดีแต่ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาดีจากคนอื่นให้ก็ไม่ได้ให้พรไม่ได้ต้องบอกกันให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ เรื่ชีวก็คือชกสี่ข้อคือหนึ่งละอาชีพหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบตั้งตัวนี้ต่อไปถ้ามีการงานก็เป็นการไม่ยุ่งเหยิงสอบสนเป็นการงานที่ปราศจากโทษไม่หลอกรวงเขาเรื่องชีวิตทั้งคิดการนา น, นาใด ต้องมีแล้วเบียบวินัยในการทำงานเป็นธรรมในการทำงานจะใช่จะทำอะไรให้เกิดดีขึ้นได้ทุกอย่างการงานชอบ ม, มือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายมีใจความเพียรทางกายความเพียรทางจิตใจมีการกระทำลงไป สร้างได้สร้างโลกได้มือห้านิ้วสิบนิ้วในชับในดินในชัในดินในสิใน้ำอันที่สองก็คือสุขภาพร่างกายอันนี้ไม่ใช่สอนหลอกจากจะสนับสนุนอย่าลืมษ ส, สุขภาพ เราใช้กายใช้ใจเพื่อให้เกิดสุขภาพไปในที่ไม่มีทุกข์มีโทษคิดในทางที่ไม่มีทุกข์มีโทษบริโภกอาหารในทางที่ไม่มีทุกข์มีโทษรับวิะชอบมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตในการคิดในการกระทำในการกินอาหารอย่าให้เป็นทุกข์เป็นโทษ เราเจ็บแค่ได้ป่วยมันเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแม้แต่เราหันไป่วยเป็นการใช้ชีวิตถูกต้องนี่เรื่องสุขภาพไม่เฉยใจมันไม่เหมือนสมัยโกอนอะไรก็เป็นพิษอากาศเป็นพิษอาหารเป็นพิษ ให้แต่แผ่นดินก็ยังเป็นพิษชาวสวนชาวไร่เดินไปไล่ไปสวนมวเมื่อตรวจเลือดมีเวิร์บวกเบาะในเป็นดินก้นไม้ไปหญ้าทานไปนั้นดูจึงมกระทางร่างกาย ทางอากาศได้ทุกวันนี้คนที่ไม่รู้มีเยอะแยะไม่รับผิดชอบไม่มีระเบียบวิ น, นัยหนอนตาไปตรวจวเขาเขาสมัยเป็นพระหนุ่มไม่ <c oughs> เพิ่มแล้ไปชอบต่อธรรมชาติไปดูแถวน้ำตกแม่กลางป่าตายน้ำไหลจากเขาลงมาเราคืนพากันขึ้นไปดูมันต้องเป็นเชาเขาปล่อยสารพิษใส่น้ำแน่นอนพากันขึ้นไปใส่บ้านป่ากล้วย บ้านแมวบ้านกเลียงบ้านเส้อหมูซอในภูเขาโดยเลียบติดตับดอยอินทนน์เห็น้าเขาเขาปลูกกระลำในพื้นที่ป่าต้าจะพูดว่าเจ้าของประเทศคือเชาวเขา เขาอยากได้ที่ใดที่ไดเขาไปถางเอาปลูกกละลไม่ต้องลดน้ำางวันไปดูสวนกระลาเขานี่เห็นเม็ดน้ำจับใบกระลำขาวเป็นโดกเป็นโดกมันชื้นมากเ้าก็พ่นยาฆ่ามแมลงไปเดินไปยืนดูที่เขาเก็บกระลา บอกเปือกกะลำออกที่มันเน่าเน่าจนเป็นลมเลยเหม็นยาโคดิดอนยาพิษเขาไม่กินเขาลดแถวหลมพูนป่าซางโจมทองมิแต่ลดมือสองของชาวเขาเข า, เาไปใช้ขับกระโดดไปเหมือนกบเหมือนเขียด ไปทุบวกกันลาลงมาใส่รถรถกรุงเทพจิบล้อใช้ภูมิขนลอดขอนแขนจอดจูจตินเขาขนกันลาให้พวกเรากิ น, น ม, มีแต่หัวงามๆแล้เราก็เลือกเอาตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนักหนั ก, นกเอามากินซะไม่ค่อยปลอดภยัย อาหา ร, ก, ารกินเราไม่ได้ทำเองทุกวันนี้พย้ยามใส่ใจสักหน่อยการอยู่การกินเรื่องสุขภาพผัดทานอาหารที่ย่อยง่า ย, ายอาหารพาสพูดกินไวทุกวันนี้ไม่ค่อยปอดภยัยเท่นนไาไหร่แม้แต่โรคหลอนเราก็ไม่ค่อยปลอดภยัยเอาเงินใส่มือไปชื่อกิน นั่นเป็นขยะขนมมาล้วยี่ห้ออะไรต่ออะไรนี่ก็รับผิดชอบมีระเบียบวินัยการอยู่การกินชอมเป็นแปสิเอร์ลูกค่ขเก็บกับจ้างทางเดินอาหารต่อที่3ามหรือว่ามีระเบียบวินัย รูจกกร้จักตัวบกฎหมายอยู่ร่วมกันในสังคมทุกอย่างที่อยู่ร่วมกันไม่จะเดินตามถนนทางกับรถกับเรือเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้ความเร็วรถเร็วความเร็วของรถสูงมากตกหลีกไม่ทันในปีใหม่นี้ก็ เจ็ดวันอันตรายถึงวันที่สี่กำลังจะบอกเดี๋ยวนี้ก็มีหลายจังหวัดแล้วจะเรียนรถทัวร์ชนกันสองการทั่วงัตายมรถตั ว, ว น, นี้เป็นรถสองชั้นการเดินทางดูหน้าดูหลังแล้วก็ สถาปอ์เขาไม่รับผิดชอบนะเป็นผู้ชํานาญการก่อสร้างต่อขึ้นมากันเองต่อสองชั้นขึ้นมาเวลาชนก็ก็เพื่อง่ายเวลาเพื่อก็สีก็บิดเบี้ยวไปมันอ่อนมันของเก่าอามาต่อใหม่เพื่อไม่ได้เอาของโงกรถเก่าๆของแต่งมา ไม่ค่อยปลอดภยัยอะไรก็ตามการอยู่การจิจนเดินถนนทางมีระเบียบวิ น, นัยระมัดระวังดูหน้าดูหลังสิ่งเสกติดที่ทำให้หลงเงินเมาัวเมาก็งดเว้นเด็ดขาดหน้าก็ยิ่งดียหญ บุหี่เ่งสีบติดตั้งหลายหมดเนี้ยรุ่นแต่อเป็นพระละไม่มีระเบียบวินัยพวกเราที่ไม่สูบบุหรี่ก็ได้สูบบุหรี่มือสอง้จับบุหรี่มือสองไหคนอื่นเขาสูบเราไลรไปสูบแต่เราได้กินมันเนี่ยบุหรี่มือสองมีโทษเหมือนกัน ก็อยากให้ที่นี้เป็นที่โปรดควรบุลรอขอให้เป็นระบบเรื่องระเบียบภานในใช้ชีวิตระบบนิเวศ ท, ทางคุตตาศาสนานี่ยบาบ้บ้า ง, าางรนนทางโล่งเงาเอาน้ำเอากาศเสียงสวดบนลมวัดที่ลลวม นี่ครับแคบไม่เลยอาใช้ได้เพึ่งนฝาใช้กันได้ไม่เปียดเบียนไม่อัดแออัดเกินไปถ้าช่วยจะไม่ระเบียบแม่จัดอยู่ด้วยกันก็ละมัดระวงอย่าลบกวนกันให้มีระเบียบ เห็นหอุ่มเหนใจเต็งใจแม่จะอายจะจามก็ค่อยๆ อ, อย่าให้ลูกดื้อลูกโดนผนขันผลแล่นโอ้ยพายแล้วเบียบวินัย น, นี่แม่จะถ่ายพทุทธเจ้าก็ยังให้ไม่ให้เบ่งแรงนะ <laughs> ไม่เบ่งเบนเราขับถ่ายก็ค่อยกดบ้านก็มีระเบียบเว้ไหนเปิดประตูหน้าต่างมีระเบียบเว้ไหนควรเปิดหน้าต่างเวลาไหนควรปิดเวไหนให้ลมพัดผ่านยั่งบรรยากาศในบ้านชีวิตรอบในบ้าน มีระเบียบวิ น, นัยเครื่องใช้ไม้สอยถ้วยชามระเบียบวิ น, น, นัยนี่ไปถึงลงอาหารพริกเกลือเกลือปลาช้อนชามเป็นระเบียบแก้วน้ํากาน้ําน้ ำ, น ำ, น ำ, นำดื่มน้ําใช้ให้มีระเบียบวินัยวินัยนี่วิเศษนําไปสู่ความวิเศษถึงมากถึงผลนะ ไม่ใช่บังคับขอบใสยวินัยเราจะอาศัยได้อาศัยได้สะดวกใันมีระเบียบวินัยเกิดความสะดวกทั้งตัวเองและคนอื่นอาอย่างวินัยเนี่ยที่นำไปสู่มรรคผลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำเร็จได้ การจินมีระเบียบการพูดมีระเบียบการคิดมีระเบียบการกระทำมีระเบียบไิ้หน่อยขีดเช่นเอาไว้อย่าให้ผิดเช่นผิดทาง <c oughs> ตนสนตนปีใหม่นี่ตั้งต้นให้ดีๆอันสุดท้ายคือข้อที่สีจิตวิญญาณต้องต้องสมควร ทามีจิตเราเอาศัยจิตใจได้ไหมฝึกด้วยมันหลงให้รู้ว่ามันทุกข์ให้รู้ให้เรกจิจวิญญาณเพื่อจะได้ผลจากการฝึ ก, กจิจตามหลักธรรมคำสอนถ้าไปฝึกอันเป็นทุกข์เป็นโทษจิตวิญญาณหนี่ง อันมีนาโลกมันมีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานมีสุรกายมันไปไกลถ้าไม่ฝึกทาดีได้ยากทาชั่วไดง่ายหนักด้วยอุปทานยืดไม่ได้พึ่งอาศัยจิตของตนเลยไม่มั่นใจเลยต้องฝึกจิตเิญยายหัดปูพมมัาง ปูพรมในชีวิตปีใหม่นี้คิดิ่งใดประกอบด้วยเมตตาทำจินใดประกอบด้วยเมตตาพูดถึงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังของเพื่อนมนุษย์เนี่หระวายชีวิตปูพดมอย่าให้เมฆโขค่ขาให้เรียบเรียบการคิดอ่านให้เรียบเรียบ เดาสดวดอต่ลายมีที่รักที่ชังพอใจไม่พอใจหนักให้มันเลี่ยมนรียกี่วิญญาณถ้าฝึกได้แม่นยำชัดเจนจะเป็นมากเป็นผลสุดยอดมนุษย์นี่มันมีมากเป็นผล อาไมใช่ว่าจะมาเกิดเจ็บตายเฉยๆรัถฐานที่ปลุกด้านกิ่วิญญาณเนี่ยก็เสนอให้ใช้ที่นี่ก็พอที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิกันได้แล้กวก็อาศัยตัวเองเป็นส่วนญาย อีกสักสีข้อนี่ขีดเชิญไว้ปีใหม่เนี่ยดำเนินชีวิตไปอยางมีระเบียบวิ น, นัยทั้งหมดก็คือกายวาจาใจของเราเนี่ยแหละปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นใหญ่อย่างที่เราสาเตะพิสูจนก็คือกายวาจาใจนี่ มีวิธีปฏิบัติต่อกายอย่างไรต่อวาจาสยงไรต่อใจอย่างไถ้าปฏิบัติต่อกายผิดเป็นทุกเป็นโทษต่อตัองและคนอื่นถ้าปฏิบัติต่อวาจาไม่ถูกต้องเป็นทุกเป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นถ้าปฏิบัติผิดต่อจิตใจก็เป็นทุกเป็นโทษต่อตัวองและคนอื่นถ้าปฏิบัติถูกต้องก็เป็นคนประโยชน์นี้ แต่ตัวอย่างทคนอื่นจริงหรือวัตถุอื่นง่ายๆมันก็อยู่แค่นี้มันก็อยู่ในกํามือเรานี่เราไมีวิธีมีทำปฏิบัติต่อการอะไรเราก็ทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องทำดีก็ดีทันทีเราทํำชั่วกว็ทั่วทันที พูดผิดก็ผิดทันทีพูดถูกก็ถูกทันทีคิดผิดก็ผิดทันทีผู้กระทำพูดพู ด, พดคิดก็เห็นเองก็หัดตนสอนตนพยามหัดแ้่บรรเทนแต่ไม่เคยชินแต่จึงมีวิชากรรมาฐานพูดฉันเข้าเหยื่อฉันออก ให้รูดสักตัวหัดอนดวนันถ้าหัเป็นแล้วก็มาต้องยกมือก็ได้มันรู้แล้วมันมีแล้วของรู้เหมือนทั้งหมดแล้วคลองกายคลองใจแล้วเป็นเจ้าของแล้วแต่ก่อนมันไม่มีเจ้าของกายเจนี้มันเถื่อนกลางคืนเต็มควานกลางวันเต็มเตีวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด ถ้าเรามีสติเราจะใช่กายใช่วาจาใช่ใจถ้าเราไม่มีสติาก า, า, จ, า, ก า, า, า, กาจะใช่เราวาจาจะใช่เราใจจะใช่เราเพราะนเรามาได้ตั้งใจคิดวางอย่างมาคิดได้มากอานตั้งจะคิดนี่น้อยน้อยเรารับใช่ความตั้งไม่ตั้งใจคิดหนาตัวสังขารตัวจม o ท t ยนาหนมันมาก เกิดมาไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเมื่เคยหยุดความคิดแล้วแต่มันคิดอะไรก็ปล่อยตามมันหมดมันไม่มีเจ้าของมัน ม, มีผู้ดูแลไหนไปเช่นนั้นสังขารในวาจาสังขารในกายสังขารในจิตสังขารเอาไปกินหมดส่วนวิสังขารไม่ได้มีในกายในวาจาในใจ ที่มีเจตนานาเปลี่ยนร้ายเป็นดีไม่ค่อยจะเปลี่ยนกันจึงอาศัยกายวาจาไม่คได้ไม่มีประโยชน์จึงมหัดให้มีสติเป็นเจ้าของใช่กายใชหวาจาใช้ใจาสำเร็จประโยชน์เหมือนนิ้ว10บนิ้ว พาจะเป็นสภาพสิทีิไหนที่ศึกษาดีแล้วมีเช่นมีบรรทัดอาจจะมีวินัยตามธรรมคำสอนนี่เพวกเราจะเป็นคนคนเดียวกัน ท, ทําดีลูกต่างข้อต่างแม่แต่นี้ใจใจคอเอาเช่นได้มาลอยอข้ากัน เหนเราเป็นดอกไม้คนละต้นกันคนละสีลักษณะต่ า, างกันจะเอาเช่นได้มาล้อยเข้ากัน <c oughs> ก็กลายเป็นพวงมาลัยเป็นระเบียบเรียบร้อยทําม่เป็นไรเหมือนกับเช่นได้เป็นล้อยดอกไม้เป็นระเบียบได้ถ้ามีสติเรารเป็นคนคนเดียวกัน มีสติประกักความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติก็จิตกบดิสุดเหมือนกันหมดนี่ความเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็มีการมีวาจามีใจความดีเกิดขึ้นทการวาจาใจความชั่วเกิดขึ้นที่กายวาจาใ จ, าารา จ, าใจเริ่มต้นด้วยหลักไตฐาน หนึ่งละรูสองหลงกองหลงไปไกลกองรูไปไกลไปคนละทางกันตั้งที่เดียวกันเป็นทางเป็นเป็นตั้งต้นที่เช่นทางแต่ไปคนละทางกันถุงไปทางหนึ่งรูไปทางหนึ่ง หลงไปทางต่ำรูกไปทางสูงหลงเป็นคนรูกเป็นมนุษย์อรุไปสว่สวรรค์นิพพานคนไปตกตะลกถ้าหลงเป็นหลงเรามีความหลงหรือความมีความรู้เกิดมาถึงวันนี้ได้ดูเดาตัวเองไหม เวลาเรามาฝึกกรรมฐานนี่จะได้สนุกเปลี่ยนหลงเป็นรู้มากมากมากๆโดยเฉพาะการฝึกกรรมฐานมาจะต่อหน้าต่อตาจะเห็นหลงหลงก็จะผ่านมาเห็นบ่อยๆมันจะได้เตี ย, เ น, ย, น, น, ยเนเป็นรู้บ่อยๆทุกข์ก็ผ่านมาบ่อยๆจะเปลี่ยนเป็นรู้บ่อยๆมันเกิดขึ้นมาเป็นปากซอบเป็นตลาดนัดของแหลง ตะกัจิลาการสืบสาเลือกได้แล้วก็เลือกได้ด้วยมันหลงก็รู้มันถูกก็รู้มันสุขก็รู้มันโกรธก็รู้มันยากก็รู้มันง่ายก็รู้มันถูกก็รู้มันผิดก็รู้ตัดไปเลยรู้ตัดรู้ตัดไปเลยถ้าไปทํากรรมถามมันจะไม่เห็นเหมือนคนไม่ประกอบการงานเมื่อไม่ทํางานก็ไม่รู้จักผิดพลาด กา <c oughs> <c oughs> นทํางานก็เกิดการผิดพลาดการผิดพลาดหรืว่าคนทํางานแล้วก็ความผิดพลาดนั่นแหละจะทําให้เป็นศาบเป็นศีลจะได้แก้ไขขึ้นมาถ้าไม่ทาอะไรก็ไม่มีอะไรผิดต่อกการฝึกกรรมฐานจะได้ศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกิดเกิดกับการกับใจเหล่านี้ ลู่ทำลอยมาลู่จึกตัวถ้าเราเปิดไปนะไขไปแล้วจึงลู่บางทีมันหลุดไปแล้วจึงลู่จกว่ามันหลุดมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงลู่ไม่ต้องไปคิดแย้คิดไขอะไรเอ่อจะเปลี่ยนหลงเป็นลู่อะไรก็เปลี่ยนมาเป็นลู่ไปเรื่อยๆง่ายๆเท่านี้ทำสองอย่างเท่านี้มันก็ไปไกลเหมือนกัน มันมีพ่อมีแม่มีพ่อมแม่กับลูกก็พลอดภัยเองลูกไม่ต้องไปขอร้องให้แม่ช่วยพ่อช่วยเหลือค้า่าพ่อมแม่ก็ช่วยลูกอยู่แล้วลูกไม่ต้องขอร้องช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ต้องว่าสติสมชัดก็เช่นกันนะถ้ามันมีแล้วมันมาช่วยช่วยช่วยกอดช่วยจัง รักษากายใจไม่ให้ตกไปที่ชื่อชั่วรักษากายใจอยู่เป็นนิดถ้ามีสติสมชัญญาถ้ามันมีแล้วทำให้มันมีไม่ใช่หาไม่ได้หาเลยเนี่ยทำให้มีขึ้นมาบ้างขึ้นมานยโดยเพราะกรรมฐานนี่สตจังหวะนี่ทุกวินาทีก็ว่าได้ เอาคิดมาใชยงานเรื่องนี้ลองดูทุกขึ้นาทีรู้ทุกขึ้นาทีรู้ทุกขึ้นาทีอะไรมันจะเกิดขึ้นวิชากรรมฐานเป็วิชาที่พบเห็นไม่ใช่คิดเห็นไม่ใช่สมองนะพบเห็น เป็นการพบเป็นมาช่ยสมองและวกมาใชคิดเป็นคำตอบเป็นการสัมผัสเช่นความหลงกับความรู้เนี่ยมันพบเห็นต่างกันอยู่เราก็รู้จักเลือกรู้จักเลือกเปนชีวิตที่เลือกได้ในโลกนี้เลือกได้เลือกของที่สิ่งที่ถูกต้องไดยทุกกระดิง นี่ว่าพบเห็นไม่มีคําถามไม่แตคําตอบตัวเองต้องตอบตัวเองการคิดเห็นน่ยมันคิดสติปัญญาที่เป็นการคิดหาได้คาตอบนันเป็นการสมมุติปัญญาไม่ใช่ปรมาจัรจะปรมาจัรย์มันเป็นการพบเห็นตอบได้ทุกชีวิต ทันทีไม่มีคำถามสองโกรธควรไม่โกรธอะไรมันถูกต้องถ้าคนมีสติจะตอบได้จะเลือกได้จะมีขึ้นมอทันทีสิ่งที่ไม่ถูกต้องหมดไปทันทีไม่ต้องปฏิเสธอะไรที่ไหนสิ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไป เป็นเช่นนั้นเองเหมือนพระพุทธเจ้าโสอนโกรทอนยาเมื่อกนธรรยาวรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าก็ได้ประกอบวิทยาศาสตร์คืธรรมะ อย่างจริจิตสมุทัยธรรมังสอบพันทังนิโรธรรมันติสิ่งไดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไปทําราถึ่งนั้นเดความดับไปเป็นธรมรมดาพิสูดได้แล้วพิสูดได้แล้วสมมาสมุทโธแล้วก็จริงแล้วสามารถนิสูน์ได้ผลแล้วแต่ก่อนพระเป็นแต่ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าพอ คนทัยารู้ตามคำสอนเอาไปศอนดูหรือมั้งาทันารู้ตามก็ได้ได้ชื่อว่าสมมาสมพุทธโธต่อสู้อย่งางเราชอบสอนผูใน้ใดรูตามด้วยนี่คือวิทยาศาสตร์ทางธรรมะเป็นอันเดียวกันแช่ไหมป น, นย์พระเจ้ามาถึงที่นี่คนทันย์ก็มาถึงที่นี่มาทาันเดียวกันมานี้ เดินมาทางเดียวกันมาถึงที่เดียวกันพ ร, พระตถาคตมาถึงที่นี่ท่านก็นไปถึงที่นี่ก็จบกันแล้วนี่คือวิทยาศาสตร์ลูกเองเห็นเองทำบาปเองก็ย่อมสมองเองไม่ทำบาปเองก็หมดจดเองย่อมสมองหมดจดเป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะยังคนเหมือนให้เศ้าหมองโดยวจดเป็นไปไม่ได้อยู่ในกามือเราปีใหม่นี้ให้แน่วแน่ให้แ น, แน่มั่นใจในทำในศรรีลกลัวเอาไาใชา้ยเยอะแยะเลยไม่โจนเลยในตัวเรานี้ในความโกรธก็เป็นความมโกรธไใช้ ในความทุกข์่นความมาทุกข์มาใช้ในความหลงม่ความไม่หลงมาใช้เป็นเอ่ยซับเพื่อมาเื่อผลอย่าไปใช้ความไม่ถูกต้องอย่าใช้ความถูกต้องปฏิบัติตามธรรมอย่าปฏิบัติตามอธรรมความหลงเป็นอธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์เป็นอธรรมอธรรมนำไปแต่ลูก ทำร่อมาถึงสุคติมันชีวิตมันเลือกได้เนะี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่ใหม่นี่มั่นใจหนึ่งแล้วเราแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรที่หลวพ่ที่เจ้ามีเหล่าสาวคมีธรรมที่เราสัมผัสได้ทุกชีวิตตัวโอกาส อยู่เช่นนี้ใครจะลู่ใครจะไม่ลู่ทําก็มีอยู่อย่างนี้ ม, นมังกรนิพานมีอย่างนี้แต่ใครจะลู่หรือไม่ลู่ใครจะใช่หรือไม่ใช่ใครจะไปหรือไม่ไปอยู่ในกาลกล้งศอกจะหวานหาเคลื่อนนี่ที่มนุษเป็นเป็ น, ปนมีรูปมีนามเดินไปไหนมาไหนได้นี่ได้ที่นี้่ น, นี่คือวันที่สามตามทีม่ผมวญจาติโลก แต่จริงมันการเวลาการเวลามไม่ใช่ น, นไม่อะไรเรามารใช้การเวลาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองมันก็หมดไปแล้วสองตาอเข้าหกเจ็ดสิบหกแล้วหมดไปแล้วเจ็ดสิบหกปีแล้วก็จะตายแล้วนะอง <laughs> การลลาย่อมเกินกิจประสง่งทั้งพร้อมทั้งตัวมันเองแล้วก็อยากจะเอากรอาจารย์พุทธาธิเขียนให้ปีให ม, มพ่พรปีใหม่นะฟังไหมจ๊ะใม่ฟังอาจารย์พุทธาธินะเขียนเลยว่า ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่าใช่ไหมพืชมีเงาครบปีทวีหัวทั้งการงาดและจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถดดีลดลงแต่คนชั่วกับถอยถดดีลดลงคืนปีหน้าเรียวหลงกว่าในปีนี้ ไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงมีหลงนะบทดีเพราะมีหลงนะอะไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงลู่ซึกตัวละชั่วเพราะเห็นโรงลู่ซึกตัวเพก็ถ <laughs> ึกชั่วเห็นเพราะเพราะ เห็นตรงรู้สึกตัวละชั่วเพราะเห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยพุทธทาสอินทปัญญจบแค่นี้ น, นะัญับ